วิเคราะห์มหาปริิพาณสูตร 2. ข้อคิดเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยและการบูชาเทวดามีประเด็นที่จะคุยกันต่อเกี่ยวกับวัสการปรามมหาอามาตย์ของพระเจ้าอาชาศัตรูเมื่อแก่ได้คิดจากการที่ฟังพระพุทธเจ้าตรัสบอกพระอานนท์ว่าแคว้นวัชีนั้นผู้คนมีความสามัคคีกันดีมากจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เขาจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาศัตรูเตรียมวางแผนทำลายความสามัคคีของกษัตริย์ลิชวีแห่งแคว้นวัชชีในขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับสุนิ t h พรามสร้างเมืองยุทธศาสตร์ไว้ที่ปาตาลิคามเพื่อป้องกันชาววัตชีปาตาลิคามเป็นชายแดนระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นวัชชีมีแม่น้ำคงคากั้นเป็นเขตแดนทางมคธ จึงได้สร้างเมืองยุทธศาสตร์ขึ้นที่จุดนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงสถานที่นั้นพวกเขาได้นิมนต์พระองค์พร้อมภิกษุสงฆ์ฉันพัตตารณที่อยู่ของตนเมื่อพระองค์สวยเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จต่อไปมหาอมาตทั้งสองตามทรงเสด็จอย่างท่าน้ำพระพุทธองค์ตรัสกับพระานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ สถานที่จักเป็นที่อยู่อันประเสริฐเป็นทางค้าขายเป็นนคร อ, อันเลิศชื่อว่าปาตลีบุตรเป็นที่แก้หอพันธะนครปาตลีบุตรจักมีอันตรายสามประการคือไฟไหม้น้ำท่วมและการยุให้แตกกันพุทธพยากรเป็นจริงในเวลาต่อมากษัตริย์แห่งมคทรัฐได้ย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่เมืองใหม่นี้เมืองหลวงใหม่ นามว่าปาตลีบุตรได้เป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมากแต่ก็ดังที่ทรงพยากรไว้มีการยุยงแยงตะแคงรั่วกันแตกสามถขีกันเกิดปฏิวัติ ร, รัฐประหารเปลี่ยนผู้ปกครองนครกันบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงกษัตริย์พิมพิสารประหนึ่งต้องอาถรรพ์อาชาศัตรูฆ่าพิมพิสารพระราชบิดาแห่งตนขึ้นครองราช ทายราชการอุภัยพัท ธ, ธะโอรสอาชาศัตรูก็ฆ่าอาชาศัตรูผู้เป็นพระราชบิดาขึ้นครองบัลลังก์เช่นเดียวกันแล้วในที่สุดก็ถูกโอรสของตนแย่งราชบัลลังก์ด้วยวิธีเดียวกันจนประชาชนเห็นราชวงศ์นี้เป็นราชวงศ์ปิกตุกาาจึงร่วมใจกันปฏิวัติโดยการนำของอำมาตย์คนหนึ่งเปลี่ยนราชวงศ์ใหม่ ว่ากันอย่างนั้นมีข้อที่น่าคิดอยู่นิดหนึ่งทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นชยภูมิพื้นที่นี้พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าสถานที่นี้เทวดาชั้นสูงห่วงแหนแล้วตรัสว่าเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ห่วงแหนที่ใดจิตของพระราชาและมหาอามาตย์ผู้มีศัก์ใหญ่ย่อมน้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้น เทวดาชั้นกลางห่วงแหนที่ใดจิตของพระราชาและมหาอำ ม, มาตย์ชั้นกลางย่อมน้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้นนี่กระมังครับที่โบราณท่านว่าสถานที่ทุกแห่งจะมีเทวดาหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ยึดครองหรือห่วงแหนอยู่ถ้าผู้ไปครอบครองหรือสร้างบ้านเรือนอยู่ไม่มีบุญหรือบารมีพอหรือไปอยู่โดยไม่บอกเล่าเก้าสิบ หรือไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าที่เหล่านั้นก็อาจอยู่ด้วยความไม่ผาสุกก็ได้ตำราดูชัยภูมิพื้นที่ตำราดูห่วงจุ้ยจึงเกิดขึ้นและยึดถือกันเคร่งครัดในหมู่ประชาชนบางพวกพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความมีอยู่แห่งเทวดาเหล่านี้รวมถึงยอมรับว่ามีเทวดาระดับอื่นๆด้วยในคมภีทางศาสนาก็พูดถึง ภูมิเทวดาและรุกขเทวดาบ่อยครั้งอย่างเช่นคราวภิกษุสงมูใหญ่ทูลลาพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาในป่าแห่งหนึ่งเหล่ารุกขเทวดาพากันลงจากวิมานของตนคือต้นไม้นั่นเองมาอยู่บนพื้นดินเพื่อแสดงความเคารพพระสงฆ์ทั้งหมดหวังว่าไม่นานก็คงจะจากไปแต่เมื่อเห็นพวกท่านไม่ไปจึงพากันหลอกหลอนให้เกิดความกลัว ภิกษุเหล่านั้นกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสให้สวดแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายส่งสอนให้ท่องกรณียเมตตาสูตรและส่งกลับไปใหม่เมื่อพวกเธอกลับไปใหม่และสวดกรณียเมตตาสูตรทุกเช้าเย็นจิตใจของเหลารุกขเทวดาทั้งหลายก็อ่อนโยนมีความรักใกล้ปรารถนาดีต่อพระสงฆ์ทั้งหลายและพากันอารักขาให้พวกท่านจำพรรษาอยู่อย่างปลอดภัย ตลอดสามเดือนหมายเหตุผู้อา่านบทสวดทุกบทจะได้ผลจริงต้องแปลออกและน้อมจิตไปตามเนื้อหาที่สวดด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งน่าคิดมากคนที่ทรงศีลมีคุณธรรมนั้นเทวดาก็กลัวเกรงอนาถปิทิกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ใจบุญสร้างวัดพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้า ถวายความอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยจิตศรัทธาอันเต็มเปี่ยมตั้งโรงทานสี่มุมใส่บาตพระวันละหลายร้อยเป็นประจำแม้บางครั้งการค้าขายจะขาดทุนทรัพย์สินเงินทองร่อยหรอก็ไม่ได้ลดจำนวนการทำบุญลงจนเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูคารหาดทนไม่ได้มาปรากฏตัวแล้วห้ามปรามว่าไม่ให้ทำบุญมากขนาดนั้นให้ลดลงบ้าง เมื่อเศรษฐีรู้ว่าผู้ที่มาห้ามคือเทวดาที่อาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูจึงออกปากขับไล่ไม่ต้องการให้เทวดาจิตใจขับแคบอย่างนี้มาอยู่ด้วยเทวดาถูกขับไล่ไม่มีที่อยู่ต้องไปขอพระพุทธคุณเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ไปขอขมาเศรษฐีซะเทวดาเธอจึงกลับไปขอขมาเศรษฐีได้ยกโทษให้ และอนุญาตให้อยู่ที่ซุ้มประตูตามเดิมเรื่องอย่างนี้บันทึกอยู่ในคัมภีร์พระศาสนาอุตุชนบางท่านก็บอกว่าไม่ทราบว่าจะเชื่อหรือไม่เพราะมองไม่เห็นการอ้างว่าไม่เชื่อเพราะตัวเองไม่เห็นไม่มีน้ำหนักอะไรเหมือนคนตาบอดสองข้างปฏิเสธว่าไม่มีพระจันทร์และพระอาทิตย์เพราะเขามองไม่เห็น คนตาดีที่เขามองเห็นมีอยู่มากมายคนที่เขามีอภินยาสามารถสื่อกับเทวดาได้ก็มีอยู่แม้ปุถุชนธรรมดาบางทีถ้าเทวดาเขาอยากจะติดต่อสื่อสารด้วยก็สามารถติดต่อได้เช่นผ่านความฝันผ่านความสังหรณ์ใจหรือมองเห็นด้วยตาเนื้อจะว่าหลับอยู่ก็ไม่ใช่ตื่นอยู่นี่แหละมองเห็นหรือได้ยินเขาพูดกับเรา คำพูดอย่างนี้คงเคยได้ยินบางคนเขาเล่าให้ฟังมาบ้างพระพุทธเจ้าตรัสถึงเทวดาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันยังเวียนว่าอยู่ในสังสารวัฏเช่นเดียวกับเราบางสถานะเทวดาต่ำต้อยกว่ามนุษย์ซะอีกคือไม่มีโอกาสจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพ้นทุกข์ดุจมนุษย์เทวดาอยากเป็นพระอรหรันต์ ก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ก่อนท่านจึงสอนให้ทำเทวตาพลีคือสงเคราะห์เทวดาพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาสั่งสอนชาวโลกเพื่อพ้นทุกขโดยสิ้นเชิงคือเพื่อบรรุนิพพานดับกิเลสและกองทุกทั้งมวลอันเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตก็จริงอยู่ใช่ว่าพระองค์จะละเลยประโยชน์และเป้าหมายธรรมดาธรรมดาที่โลกยชนพึงได้พึงถึง บางครั้งพระองค์ตรัสสอนหลักการและวิธีการสร้างความมั่นคงทางทรัพย์สินพูดง่ายๆว่าส่งสอนวิธีหาเงินทองส่งสอนวิธีใช้เงินทองที่หามาได้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมไว้อย่างเป็นระบบอยากจะสรุปย่อมาให้ดูเป็นตัวอย่างสักข้อหนึ่งอันเรียกว่าโภคะอาทิยะประโยชน์ที่ควรได้จากโภคทรัพย์5้าประการ คือเมื่อสแสวงหาทรัพย์มาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงและโดยวิธีสุจริตแล้วพึงปฏิบัติดังนี้ 1. เลี้ยงตัวมารดาบิดาบุตรพัญยาและคนในปกครองทั้งหลายให้มีความสุข 2. บำรงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 3. ป้องกันพยันตราย พูดอย่างสมัยนี้ว่าประกันภัยไว้บ้างและหลายกรมทานหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะสธรรมพลีคือสงเคราะห์ห้าอย่างได้แก่ญาติพลีสงเคราะห์ญาติทั้งญาติฝ่ายตนและญาติฝ่ายสามีพันยาอาติติพลีต้อนรับแขกกันไว้บางส่วนเป็นงบต้อนรับแขก ปุพภะเปตะพลีทำบุญอุทิศให้ผู้ล่งลับตามคติทางพุทธศาสนาราชพลีบำรุงราชการด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้นทำได้มากก็เสียมากอย่าได้หลบเลี่ยงภาษีเทวตาภลีสงเคราะห์เทวดาตามความเชื่อถือในกรณีเช่นนี้จะลงทุนสร้างศาลพระภูมิหรือสถานที่ให้เทวดาอยู่ และสักการะบูชาตามความเหมาะสมก็ได้หรือไม่สร้างศาลไม่ให้ที่อยู่เวลาทำบุญกุศลใดมาก็ตั้งใจอุทิศให้เทวดาหรือแผ่เมตตาไปให้อย่างนี้ก็จัดเข้าในเทวตาพลีเหมือนกันโภคะอธิยะข้อที่ห้าอุปธรรมบำรุงสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมไม่ว่าพระสงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาก็าตาม ใครที่ประพฤติ ธ, ธรรมเป็นผู้นำทางสติปัญญาแก่สังคมก็ควรได้รับการอุปถรัรมป์บำรุงตามสมควรเห็นได้ชัดว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งน้าตั้งตาจูงคนเข้าถึงนิพพานท่าเดียวใครที่บารมียังไม่ถึงอยากจะเวียนไหวยอยู่ในโลกิยวิสัยก็ผ่อนปรนให้อยู่ต่อไปและให้อยู่อย่างมีคุณค่านั่นคือพึ่งตนได้ทางเศรษฐกิจ แล้วก็ให้สังคมได้พึ่งได้ด้วยขอวกกลับมายัางวัสกาลรพราหมณ์และสุนิทพรามทั้งสองคิดว่าวันนี้ถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกประตูเมืองประตูใดจะตั้งนามประตูตามพระนามของพระองค์เสด็จข้าแม่น้ําคงคาณท่าใดจะตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์เช่นกันที่เมืองปาตาลีบุตรจึงเกิดมีประตูโคตมะ และท่าน้ำโคตมะมาแต่บัดนั้นพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นผู้คนกำลังลงเรือแพข้ามน้ำอย่างขวากขวจึงตรัสปริศนาธรรมให้นำไปคิดว่าอยากจะข้ามห้วงน้ำก็ต้องสร้างสะพานหรือพึ่งเรือแพขณะที่ชนบางหมู่เหล่ากำลังสร้างสะพานหรือผูกทุ่นอยู่คนมีปัญญาเขาข้ามได้ตั้งนานแล้ว หัวข้อที่สธรรมะที่ทรงแสดงมากที่สุดคราวก่นกอนๆลืมบอกท่านผู้อ่านไปว่าอยากตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนแก่พระอ น, นุ์บ้างแก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาเข้าเฝ้าตามรายทางบ้างว่าทรงเน้นธรรมะข้อใดมากที่สุดในช่วงที่เสด็จพุทธดาเนินจากกรุงราชฤก์มุ่งตรงไปยังเมืองกุสินาราสถานที่ดับขันธปรินิพาน ขณะประทับอยู่ณเขาคิจกูรเขตพระนครราชึรืนั้นพระบาลีบันทึกไว้ว่ารรมีกถาแปล ว, ว่าถ้อยถแถลงเกี่ยวกับธรรมะเรื่องไตรสิกขาพระองค์ได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายบ่อยที่สุดทรงสรุปสาระประโยชน์ของไตรสิกขาไว้ว่าอย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญา สมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะไตรสิกขาเป็นระบบฝึกฝนอบรมกายวาจาใจ หรือฝึกฝนอบรมในสามด้านใหญ่ๆคือทางปัญญาทางศีลและทางจิตไตรสิกขาคือสรุปเนื้อหาของอริยามรรคมีองค์แปดไตรสิกขากับอริยามรรคมีองค์8ดก็เป็นอย่างเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดว่าแนวทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์คือไตรสิกขาเรียกว่าเขาพูดถูกหรือใครจะพูดว่า แนวทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปดก็เรียกว่าผู้ถูกอีกเหมือนกัน